ความสุขในความเข้าใจของคนทั่วไปจะเกิดได้ก็ต้องมีมากๆเป็นความสุขที่เกิดจากการมีการได้การครอบครองยิ่งมีมากได้มากครอบครองมากเท่าไหร่ก็เชื่อว่าจะมีความสุขแต่ว่าในพุทธศาสนามองว่าความสุขที่แท้นี้ มันไม่ได้เกิดจากการมีมากๆไม่ได้เกิดจากการครอบครองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเกติดยศชื่อเสียงอำนาจบริษัทบริวารมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอหรือว่าเกิดความสุขที่แท้เลยความสุขในพุทธศาสนาเป็นความสุขที่เกิดจากการสละ การให้เกิดนะจากการละการลดไม่ได้เกิดจากการมีเพิ่มมากการลดการละจะคอเกิดความสุขความสงบเย็นที่จิตใจใเพราะนั้นเนี่ยการทำบุญหรือการทำความดีอย่างแรในพุทธศาสนา ก็จะเริ่มต้นด้วยการให้ทานทานเนี่ยจุดหมายก็คือเพื่อการล ะ, ละเพื่อการสละสละสิ่งที่เป็นของเราซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่สละสิ่งที่เป็นวัตถุแต่ว่ามีผลต่อจิตใจคือช่วยลดช่วยละความยึดติดถือมันว่าเป็นของกู ถ้าจะมีความยึดว่าเป็นของกูนี่มันก็ทุกนะเพราะว่าจะมีความห่วงความแหนจะมีความมุ่งหมายครอบครองคนที่ทุกข์เพราะของหายทุกข์เพราะว่าทรัพย์สมบัติสูญเสียไป ก็ไม่ได้ทุกเพียงแค่ว่าของเสียของหายเท่านั้นนะแต่ว่ายังทุกข์เพราะว่าใจเสียใจหายไปด้วยเป็นการเสียสองต่อและแม้เหตุการณ์จะผ่านไปเอาคืนมาไม่ได้ก็ยังทุกข์อยู่เพราะมันยังมีความผูกพันว่าเป็นของกูของกูของกูดัเราต้องเรียนรู้ที่จะละความยึดติดแบบนี้ และวิธีการก็ทำได้ด้วยการให้ทานแต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าสมัยนี้เราให้ทานด้วยความรู้สึกว่าอยากจะได้มากๆมันกลายเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนการซื้อหุ้นนะให้สิบก็หวังร้อยหรือหวังแสนนั่นนี่คือความเข้าใจของคน เวลาให้ทานหรือเวลาทำบุญก็เลยไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องอภาษาลิบุตรเคยเคยพูดไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาไม่ควรให้ทานนะ <c oughs> เพื่อหวังโล ก, กียสุขนะหรือไม่ไม่ควรให้ทานเพื่อหวังสวรรค์หรือการเกิดในภพ ต่อไปแต่ว่าให้หรือทำเพื่อการไม่เกิดไม่เกิดนี่ก็หมายความไม่ไปเกิดในภพต่อไปก็คือการให้เพื่อที่จะลดละความยึดติดถือมัน เราต้องเรียนรู้จักการให้ทานแบบนี้บ้างให้ทานหรือทำบุญโดยไม่หวังอะไรเข้าตัวเลยอันนี้ก็เป็นการฝึกเจตให้รู้จักลดละจากการให้ทานแล้วก็เป็นการให้สิ่งอื่นบ้างหรือการสละเวลาสละ แรงกายเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะอันนี้ก็เรียกว่าความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลการให้มันทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเริ่มจากการให้ทานให้วัตถุต่อมาก็ให้กำลัง ให้สติปัญญาหรือว่าช่วยเหลือเขาอันนี้ก็จัดว่าเป็นศีล น, นะศีลนี่ไม่ได้หมายถึงแค่ศีลห้าศีลห้าที่เราเขา้าใจมันเป็นเรื่องของการไม่หรือการลดการห้ามธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่ลั ก, ก, ม ไ, มลกไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมา อันนั้นเป็นเป็นศีลขั้นต่ําแต่ว่ายังรวมไปถึงศีลยังรวมไปถึงการให้การเสียสละการช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อนะีอก็เป็นการสละอีกแบบหนึ่งศีลห้าเป็นเรื่องการอดกลั้นนะอดกลั้นต่อกิเลส ท, ที่อยากจะไปทําร้ายเขาอยากจะไปลักขโมยเขา แต่ว่านอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการให้เรื่องการให้ก็เป็นการสละอีกแบบหนึง่งก็ช่วยทำให้มีความสุขได้ยิ่งให้โดยไม่หวังผลตอบแทนก็ยิ่งมีความสุขพระผู้เจ้าจัดว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขนอกจากการให้สิ่งของแล้วก็ต้อง รู้จักให้ความสุขแก่ผู้อื่นโดยการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเขานะความสุขที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยสามารถจะเป็นความสุขทั้งทางกายและทางใจได้มีคนหนึ่งเขาเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวเป็นประจำต้องกินยาทุกวัน แล้ววันหนึ่งก็ไปเป็นอาสาสมัครนวดเด็กเด็กที่ถูกทิ้งที่บ้านปักเกร็ดเขาก็ไปเป็นอาสาสมัครอาทิตย์ละสองครั้งไปช่วยไปช่วยเลี้ยงเด็กไปช่วยอุ้มเด็กเพราะเด็กไม่มีคนอุ้มพี่เลี้ยงไม่พอเด็กเป็นร้อยพี่เลี้ยงแค่สิบยี่สิบคนไม่มีคนไปอุ้มพอเด็กไม่ได้อุ้มเด็กเอาแต่นอนนะ ร่างกายก็ไม่เคยดีก็เลยมีการเปิดรับอาสาสมัครไปช่วยอุ้มเด็กไปช่วยนวดเด็กไปเล่นกับเด็กก็ได้นะมีตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงเด็กโตเจ็ดแปดขวบอาสาสมัครคนนี้เขาเล่าใฟังว่าเขาไปช่วยเป็นอาสาเป็นจิตอาสาได้สองสามอาทิตย์เท่านั้นแหละคนตื่นขึ้นมาได้ว่าลืมกินยา ลืมกินยาไปเลยท่านน้อยกินทุกวันแต่พอเป็นนวดเด็กแล้วลืมกินนั่ทไมถึงลืมกินก็เพราะว่าหายปวดเป็นนวดเด็กนี่เกิดความเพลินขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะมีเอนโดฟีห ล, ลังก็ทำให้หายปวดไมเกรนก็เลยลืมกินยาไปเลยเป็นความสุขมาเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ได้สละเวลาช่วยเหลือเด็ก เขาบอกวันที่แรกนู้นว่าจะไปให้เด็กบอกว่าเด็กเป็นฝ่ายให้ตัวเองนะอ น, นี้เรียกว่าเป็นเป็นความสุขที่เกิดจากการให้นะมันเริ่มจากความสุขใจแล้วความสุขใจก็ทําให้เกิดความสุขกายขึ้นมามีหลายคนเขาลอยฟังแบบนี้เลยว่าโอ๊มีความสุขวัยรุ่นที่กําพราพ่อกําพราแม่ขาดความรัก ใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งเรียนก็เรียนแบบไม่ตั้งใจเรียนจบก็ไปเรียนจบก็ไปอพอเลิกเรียนก็ไปเที่ยวห้างกับเพื่อนแต่พอช่วงซัมเมอร์เพื่อนไม่อยู่เพื่อนไปเมืองนอกไม่รู้จะทำอะไรเคว้งมีคนชวนไปนวดเด็กอก็ไปไปแล้วก็ทีแรกก็ไม่ตั้งใจแต่พอไปแล้วก็ถทีหลังก็ติดใจเด็กเข เด็กเขาติดนะพี่เลี้ยงติดอาสาสมัครเห็นหน้าอาสาสมัครก็วิ่งเข้าไปหานักศึกษาคนนี้ก็ไม่คิดว่าไม่เคยเคี่ยวตัวเองนี้มีคุณค่ามีความสําคัญกับใครเลยเพอาะเารู้สึกวตัวเองนี้ไม่มีคุณค่าอยู่แล้วแต่พอเห็นเด็กมามาเล่นมาให้กอดมาให้อุ้มเขาก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าขึ้นมา ทำไปได้สองสามเดือนก็กรู้สึกเลยว่าชีวิตเขามีคุณค่ า, าพูดขึ้นมาว่าเนี่ย ช, ชีวิตผมสมบูรณ์ได้ด้วยเด็กเจ็ดขวบชีวิตผมสมบูรณ์ได้ด้วยเด็กเจ็ดขวบเด็กเจ็ดขวบทำไ้เขาสุดว่าชีวิตเขามีคุณค่าแล้วมันช่วยเติมเต็มความรักให้กับเขาบอกเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะรักใครได้ไม่เคยคิดว่าจะอ่อนโยนกับใครได้เพราะว่าไม่ เรียวาขาดความรักพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เล็กอยู่กับลุงก็รู้สึกห่างเหินหัวใจมันว่างเปล่าขาดความรักแต่ว่าพอไปเป็นอาสาสมัครให้ความรักกับเด็กเด็กก็ให้ความรักกลับมาเติมเต็มหัวใจก็มีความสุขนี่เป็นความสุขที่เกิดจากการให้นะแล้วทีแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะไปช่วยอะไรเด็กไม่ได้คิดว่าจะไปได้อะไร ไม่ได้หวังอะไรจากเด็กแต่ว่ามันได้เองอันนี้เราว่าทำกรรมดีก็ย่อมได้รับถ้าผลดีโดยไม่จะเป็นต้องหวังไม่ต้องคาดมันก็มานี่คือความสุขใจที่เกิดจากการให้อีกแบบหนึง่งไม่ใช่แค่ให้ทานไม่ใช่แค่ให้วัตถุแต่ว่ า, าให้เวลาให้ความใส่ใจให้ความรัก หรือวให้สติปัญญาให้อีกอย่างนึงก็สำคัญนะคือการนะอันนี้เรียกว่าสละนะไม่ใช่ให้ก็คือการาสละความโกรธเราเรียกอย่างนี้นคือการให้อภัยถ้าคนเราถ้ารู้จักให้อภัยชีวิตก็จะหายร้อนรุ่มไปเยอะเลยคนเรา นอกจะมีความโกรธเพราะถูกกระทาถูกด่าว่าถูกเอาเปรียบถูกรังแกถูกทำร้ายเอาความโกรธนี้เราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเก็บสะสมเอาไว้ยึดเอาไว้แต่เพียงเรารู้จักให้อภัย มันก็จะละความโกรธออกไปจากใจแผลที่เคยเลื้อรังก็จะได้รับการเยียวยาได้รับการสมานเรียกว่าเป็นยาสามัญประจำใจนะที่ทุกคนควรมีไว้นะแต่ส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยมียาชนิดนี้หรือไม่รู้จักด้วยซ้ำ ก็เลยมีบาดแผลมีความเจ็บปวดมีความเครียดแค้นแลวเวลาเราเครียดแค้นใครแม้จะมุ่งร้ายต่อใครแต่คนที่เจ็บปวดเป็นคนแรกก็คือเราเพราะความโกรธมันเผาผลาญใจนัแต่ถ้าเรารู้จักให้อภัยความโกรธมันก็ละลายหายไปจิตใจก็ได้รับการเยียวยา ก็จะกลับมีความสุขขึ้นมาใหม่คนเราแปลกนะ ท, ทั้งที่รู้ว่าความโกรธความเคดแค้นมันไม่ดีแต่ว่าก็ยังทนุถนอมมันเอาไว้มีข้ออ้างสารพัดที่จะประครบประง ม, มความโกรธความเคดแค้นเช่นบอกว่ามันยังไม่รู้สึกมันยังไม่รู้สึกสำนึกผิดจะให้อภัยมันได้อย่างไร คนเลวอย่างนี้จะให้อภัยมันได้อย่างไรคนไม่ดีอย่างนี้ให้อภัยไม่ได้เหมือนกับว่าการให้อภัยนี้จะเป็นสิ่งคู่ควรกับคนดีเท่านั้นจะให้อภัยก็ต้องให้อภัยกับคนดีเท่านั้นคนเลวนี่ให้อภัยไม่ได้เราก็ต้องถามว่าแล้วการให้อภัยมันคู่ควรกับจิตใจของเราหรือเปล่า ความเกียดความโกรธมันคู่ควรกับจิตใจของเราหรือเปล่าความโกรธความเกียดความพยาบาะมันไม่คู่ควรกับใจของเราแล้จะเลี้ยงมันไว้ทําไมจะประคองประกอบป้องมันไว้ทําไมหน้าที่ของเราคือทําความสุขให้แก่จิตใจของเรานี่คือเหตุผลแค่เหตุผลข้อนี้ก็มากพอที่จะทําให้เราควรให้อภัยหน้าที่ของเราคือการให้อภัย ส่วนหน้าที่ของเขาเขาจะขอโทษหรือไม่เป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาไม่ขอโทษก็เป็นเรื่องของเขาถือว่าเขาละเลยสิ่งที่เขาควรทำแต่เราก็ควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเราก็คือการให้อภัยการให้อภัยหรือการละความโกรธนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่ทาให้คนเรามีความสุขได้ มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีตำแหน่งกิยติยศมากมายแต่ให้อภัยไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างที่พูดเวแลาเมื่อวันก่อนว่าเมื่อทไม่ให้อภัยเนี่ยแม้แต่แม้แต่พี่สาวก็ทำให้เป็นโรคได้ปวดโน่นปวดเลือดลังปวดหัวปวดท้องความดันขึ้นทางนั้นที่ร่างกายปกติทุกอย่าง แต่ว่าความโกรธมันก็ทำร้ายจิตใจของเราเองแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราควรละกิเลสนะก็เป็นสิ่งที่ควรละ แต่ว่ามันก็ละยากนะแต่เราสามารถจะเรยรู้ที่จะละกิเลสได้นะด้วยการหัดละสิ่งที่มันง่ายๆก่อนก็คือความรู้สึกนึกคิดที่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งขึ้นความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นเนี่ยสังเกตรหรือเปล่าว่าเราเราไม่ค่อยละเท่าไหร่ เรามักจะยึดมันเอาไว้อาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พอเราไปยึดไอ้ความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมานี่แหละที่มันทำให้เรามีนิสัยชอบเก็บชอบยึดอารมณ์ต่า ง, างๆที่เลวร้ายแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็กลับมาปะทุสไ้ายตัวเราเองเช่นความโกรธ ความโกรธนี่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะว่าเราสะสมนิสัยที่ชอบยึดติดหรือว่าเก็บสะสมความคิดฟุง้งซ่านต่างๆเอาไว้เป็นประจำนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอะไรก็ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันก็เลยเกิดเป็นนิสัยนะ นิสัยช่างเก็บช่างสะสมแล้วก็เลยไปเก็บเอาเรื่องเราในอดีตเรื่องเราในผลหลังเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคนเราถ้าไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักละนี่มันก็ยากนะการปฏิบัติของเราเนี่ก็เพื่อให้เรารู้เท่าทันจิตที่มันชอบเก็บชอบชอบสะสม ชอบยึดชอบติดนั่งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ก็เก็บเอาไว้หมักหมมสะสมในใจ <c oughs> ร่างกายของเราถ้าสะสมสิ่งต่างๆเอาไว้มันกลายเป็นพิษนะมันกลายเป็นโทษ <c oughs> อาหารหลายอย่าง <c oughs> ที่เก็บไว้ในร่างกายไม่ถ่ายออกมามันก็กลายเป็นสารพิษของเสีย เดี๋ยวนี้ของเสียในร่างกายของเราก็เยอะมากจนกระทั่งต้องมีวิธีต้องมีการพยายามดีท็อกต่าดีท็อกนี่ก็เป็นที่นิยมมากก็คือการพยายามระบายของเสียออกไปให้ของเสียเหล่านี้มันก็สะสมมาในร่างกายเราทีละนิดทีละหน่อยถ้าสะสมมากก็ทําให้เป็นระเร็งได้บางยามก็ไม่ใช่เป็นสารพิษแต่ก็เป็นอันตรายเช่นไขมันถ้าไขมันนี่ก็มีประโยชน์ แต่ถ้ามีมากเกินไปมันก็สะสมตามเส้นเลือดต้องกลายเป็นโทษแม้แต่ร่างกายเราก็ต้องจะมีสุขภาพดีได้ก็ต้องรู้จักสละรู้จักขจัดส่วนเกินออกไปรวมทั้งสิ่งที่เป็นพิษด้วยจิตใจเราก็เหมือนกันนะถ้ามันเป็นถ้ามีนิสัยชอบเก็บชอ บ, ชอ บ, ชอ บ, ชอบสะสมชอบสะสมไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวาง ก็จะกลายเป็นโทษนะเกิดเป็นโรคขึ้นมาแต่ไม่ใช่เป็นโรคทางกายเป็นโรคทางใจก่อนเสร็จแล้วก็อาจจะทําให้เกิดกลายเป็นโรคทางกายด้วยโรคเครียดเลยเกิดความดันขึ้นสติเนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยทําให้เราปล่อยวางหรือว่าชําระสิ่งที่เป็นข่าศึก ต่อความสงบสุขในจิตใจออกไปให้ลองสังเกตไหมเราเก็บสะสมอะไรต่ออะไรมากมายในแต่ละวันบางทีคุยกับเพื่อนไม่กี่ประโยคพอเดินจงกรมเข้าไอ้เรื่องที่คุยมันก็ออกมาเลยเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าเออพูดคุยเสร็จแล้วก็วางนะมันเก็บไว้ เวลาเดินจงกลมเวลาสร้างจังหวะเรื่องที่พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี่มันก็ออกมาออกมาแล้วก็หมุนวนอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเรามีส ต, ติเราก็วางได้ เ, เคล็ดลับของการมีชีวิตที่พาสุก็คือการรู้จักปล่อยวางเคยมีคนถามพระนันทิยะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมาท่าน พระนันทิญาท่านก็ตอบดีท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านะสอนให้วางทั้งข้งหน้าข้างหลังและท่ามกลางไม่ยึดติดอารมณ์ที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ว่ามีอารมณ์ที่พอใจหรือไม่น่าพอใจ <c oughs> ก็ให้วางกองเอาไว้ <c oughs> เกิดที่ไหนวางกองตรงนั้นและท่านก็อธิบายไว้ดีว่าเป็นภาพพจ์ชัดเจนว่า เมื่อมีใครด่าว่าท่านนะบนบกก็ให้วางกองไว้บนบกอย่าเอาติดตัวลงน้ำเมื่อใครด่าว่าท่านในน้าก็วางกองในน้ำอย่าเอาติดตัวขึ้นบกเมื่อใครด่าว่าท่านที่เมืองเชตวันที่เมืองสาวัตถีก็ให้วางตรงที่เมืองสาวัตถีนั่นแหละจะเอาเข้าเชตวันเชตวันคือวัด ที่ท่านอธิบายปู่เจ้าท่านสอนง่ายๆแบบนี้แหละณ พ, พนันเทียท่านก็เข้าใจณวางทั้งข้างหน้าข้างหลังท่ามกลางไม่ยึดติดอารมณ์ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเรื่องอดีตก็ไม่เอาเรื่องอนาคตก็วางไว้ก่อนแม้แต่เรื่องปัจจุบันเจอกระทบอะไรมาตาเห็นรูปหูดินเสียง นะก็สักแต่ว่าเห็นสักต่วได้ยินก็เรียกว่าวางเหมือนกันโดยเพราะที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็วางและสิ่งที่น่าพอใจก็วางเหมือนกันนะแต่ว่าคนเราส่วนใหญ่มักเป็นทุกข์ก็เพราะไปะยึดติด ก, กับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่พอใจนั้นยึดเอาไว้ไม่เป็นไม่เสียหายที่จริงก็สิ ก, ก็ก็เป็นเป็นลายเหมือนกันนะ ข้าวของทรัพสมบัติที่มันให้ความสุขแกเ่เราโทรศัพท์มือถือที่สวยแก้แหวนเงินทองที่งดงามมันให้ความสุขแกเ่เราเราก็ิดี่ยวมันไม่เป็นไรหรอกนึกถึงมันแล้วใจก็เพลินมีความสุขแต่มันมีปัญหาตอนที่มันหายไปหรือตอนที่มันเสียไปเราก็เจอรู้สึกเสียดายขึ้นมาวางมันไม่ได้ แล้วเราก็เลยเกิดความทุกข์งั้นสิ่งที่น่าพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ต้องวางนะวางในที่นี้หมายถึงว่าไม่ยึดติดถือมัน่นแต่ว่าใช้รู้จักใช้ให้เป็นเมื่อถึงคราวจะต้องใช้มันเหมือนกับว่ากลางคืนเนี่ยเราก็ต้องมีไฟฉายเราถือไฟฉายเพื่อส่องทางแต่เมื่อถึงที่พักเราก็วางไฟฉาย ใครที่ถือไฟฉายติดมือตลอดเวลาเข้าห้องน้ำก็หรือถูฟันก็ถือไฟฉาย ไ, ไว้กินข้าวก็ถือไฟฉาย ไ, ไว้มันจะสะดวกได้อย่างไรก็กลายเป็นงุ่มงามขึ้นมาก็ต้องรู้จักวางนะเข้าของทรัพสมบัติก็ไม่ได้ยึดยึดติดเพราะเป็นของเราแต่ว่าก็ใช้มันดูแลมันร่างกายนี้ก็เหมือนกัน มันไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติถึงเวลาธรรมชาติก็เอาคืนถึงเวลาก็กลับคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าขนาที่ยังอยู่ก็ดูแลรักษาให้ดีเพื่อจะได้ใช้งานได้นานๆไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นของเราก็ไม่รักษาปล่อยปาละเลยไม่รับผิดชอบก็ไม่ใช่เหมือนกันเราไปยืมโทรศัพท์ยืมรถใครมามันไม่ใช่ของเราก็จริงแต่เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลรักษา เวลาคืนก็คือในสภาพเดิมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไปคิดว่าเออมันไม่ใช่ของฉันเพราะนั้นฉันไม่ดูแลไม่รักษาไม่ใชนะ่ถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะอารมณ์ต่างๆที่เคยทำร้ายที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับเรามันก็จะ ไม่มีช่องไม่มีโอกาสนะที่จะมาทำร้ายเราได้และสุดท้ายเนี่ยที่จะต้องปล่อยวางที่ต้องสละให้ได้ในท้ายที่สุดก็คือความยึดติดถือมั่นว่ามีตัวกูของกูความยึดติดถือมั่นว่ามีตัวกูเนี่ยสำคัญมากอันนี้คือลางงาของความทุกข์เนะพราะความยึดติดว่ามีตัวกูนั่นแหละมันก็จะทำให้มีของกูขึ้นมา แล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใจได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจนะแล้วพอมีตัวกูแล้วมันก็ทําให้เจออะไรขึ้นมาก็ปล่อยให้ตัวกูนั้นมันเพเยเสนอหน้าแล้วก็เลยทุก์เมื่อมีอะไรมากระทบกับสิ่งที่เป็นตัวกู อันนี้เนี่ยในในพุทธศาสนานี่ถือว่าสำคัญมากให้ความสำคัญมากหมายว่ามีตัวกูมีอัตตาอันถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่เห็นนะแต่แม้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นตรงนี้ว่าไอ้ตัวกูนี่มันสมมุติขึ้นมาแต่ว่าการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติถูกก็ทำให้เราเห็นเรียกประพิมพประพาย เล็กน้อยก็ละวางความยึดติดในตัวกูได้ในบางระดับเช่นเวลาเราเดินถ้ามีสติมันก็ไอความรู้สึกว่าฉันเดินมันก็ไม่มีมันมีแต่เห็นกายที่เดินเห็นกายที่ยกมือเคลื่อนไหวไปมาเวลามีความโกรธความเครียดแต่เดิมก็รู้สึกว่าความโกรธความเครียดเป็นของฉัน ฉันเป็นผู้โกรธฉันเป็นผู้เครียดแต่พอเรามีสติมันก็จะเห็นว่าเออความเครียดเกิดขึ้นในใจมันไม่มีผู้เครียดผู้โกรธมันมีมันเห็นแต่ความเกลียดความเครียดความโกรธอยู่ในใจเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจโดยที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของลองสังเกตดูไหมนะถ้าเราเ จ, เจริญสติรู้กายรู้ใจดูกายดูใจมันก็จะไม่มีตัวกู เป็นผู้เดินไม่มีตัวกูเป็นผู้โกรธเห็นแต่รูปนี่มันเดินหรือว่าเห็นความโกรธความเครียดเกิดขึ้นในใจตรงนี้แหละที่เรียกว่าเริ่มมีการหลวงพ้อเขีนแล้วว่ามันมีการถลุงกันย่อยขึ้นนะแต่ก่อนเราทำอะไรก็มีแต่ตัวกูเป็นผู้ทำไม่ว่าเดินหรือคิด แต่ต่อมาก็เห็นว่าเออก็จะเห็นว่ามันนะลูกเคลื่อนไหวใจคิดนึกมันไม่มีตัวฉันมันเป็นแต่กายเคลื่อนไหวมันมีแต่ใจคิดนึกแล้วต่อไปก็เห็นว่าที่มันไม่ใช่ใจคิดนึกหรอกมันความคิดมันเกิดขึ้นในใจก็จะเห็นละเอียดไปเห็นละเอียดไปเรื่อยๆให้ความรู้สึกว่ามินมีตัวกลัวก็ค่อยลดไปหายไป นะครัาการปฏิบัติถึงที่สุดก็คือการละวางความยึดติดถือมั่นหรือสำคัญหมายว่ามีตัวกูมีอัตตาอันนั้นเป็นการการการสละการวางขั้นสูงสุดที่นำไปสู่นิพพานนะซึ่งเป็นความสงบเย็นอันประเสริฐสุดนะะการที่เราเริ่มต้นจากการให้ทานสละทรัพสมบัติ สละข้าวของหรือว่าสละเวลาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยมันก็คือเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การที่เราสละสิ่งที่มันยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นจากการทำสิ่งที่ง่ายก่อนก็คือการให้ทานด้วยใจที่สละจริงๆหรือการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่คิดให้จริงๆไม่ได้คิดเอาเข้าตัว รวมไปถึงการที่เรารู้จักสละนะหรือให้อภัยสละความโกรธรู้จักปล่อยวางความคิดนึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาไม่ว่าเป็นความคิดหรือความรู้สึกที่เป็นอกุศลหรืออกุศลเวลามีความสุขเห็นเห็นมันไม่แทนที่จะยึดแทนที่จะแทนที่จะหวงหรือว่าไขว้คว้าเอาไวใ้ให้อยู่ได้นานนก็ปล่อยมัน คือดูมันเฉยๆไม่ต้องประกอบปงมมันอย่าไปอย่าไปอาไล่นะให้ความสุขปล่อยให้มันผ่านเลยไปเพียงแค่รู้มันเฉยๆนะไม่ต้องหน่วงเหนี่ยวเอาไว้บางคนก็อยากจะหน่วงเหนี่ยวความสุขเอาไว้นะแต่ถ้าเราถ้าเราหน่วงเหนี่ยวความสุขเอาไว้อยากจะให้มันอยู่นานๆเราก็จะทุกข์เมื่อมันหายไป แต่ถ้าเราไม่คิดจะหน่วงเหนี่ยวมันพอมันหายไปตามธรรมดาธรรมชาติเราก็ไม่ทุกข์นะนี่เราฝึกนะการเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นวิธีที่ช่วยทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เห็นความยึดติดในใจเราซึ่งเกิดจากความเผลอความลืมตัวแต่พอเรามีสติมันก็วางได้เห็นก็วาง นะรู้ก็ละไดนะ้อันนี้ก็ให้เราเข้าใจว่าเนี่ยนี่คือนี่คือหลักการในการปฏิบัตินะถ้าเราไม่เข้าใจก็อาจจะทำแบบไม่รู้เป้าหมายหรือว่าทำแบบผิดผิดถูกถูกได้คิดคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างก็อย่าไปอย่าไปไขว้คว้ามันนะ ยิ่งคิดไม่ดีก็ยิ่งต้องรู้จักปล่อยความอารมณ์ที่ไม่ดีก็ต้องรู้จักปล่อยแต่จะไปกดข่มมันนะกดข่มมันก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่วิธีแค่รู้เฉยๆรู้ลมก็จะละได้เอาละาํานี้ก็พูดกันเท่านี้